นประโยคาไว้จรทั้งหลายตอนนี้ไปก็จะข อ, อนำเอาบุพกรรมของพระอกักษรพระอกษรวกทั้งสองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาแต่ได้ว่าเรื่องนี้ตามพระบาลีท่านไ้ชื่อไว้ว่าเรื่องสันชยัยเนื้อแท้จริงๆนีเรื่องสันชัยปริพาชกมีอยู่นิดเดียว จะได้ว่าเป็นบุพกรรมของอักษาวกาทั้งสองและมหาสาวกเสียมากเป็นนั้นว่าวันนี้ก็อยกขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งต่อจากเมื่อวานนี้เืราว่าท่านภาษาลิบุตรท่านไปชักชวนคือว่าท่านภาษาลิบุตรและพระมกขลาไปชิญชวนท่านสันชัยปรีภาชก ให้ไปสํานักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างไงท่านกล่าวว่าลําดับนั้นทั้งสองคนได้ไปสู่สํานักของท่านสันชัยท่านสันชัยพอเห็นเขาจึงได้ถามว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้ใครที่สแสดงทางอมตะคือเป็นทางที่ไม่ตายแล้วหรือ ท่านนี้ก็รู้ว่าท่านสองท่านได้ประนามและกล่าวว่าวิชาที่ท่านสัญชัยสอน <c oughs> ไม่ใช่เป็นวิชาที่จะไปสู่ความไม่ตายยิ่งเมื่อท่านเห็นท่านทั้งสองเข้าจินถามอย่างนั้นแสดงว่าท่านสัญชยัยท่านไม่พอใจที่ท่านสองท่านศึกษาในสนกคุณท่านเพียงสองสมัมวันก็จบ เมื่อจบแล้วไปเห็นว่าวิชาความรู้ของท่านที่มีอยู่นี่ไม่มีประโยชน์ท่านเลยไม่ชอบใจนี่เป็นเรื่องธรรมดาท่านเลยสอนสหายที่ได้กราบเรียนว่าผมได้พบแล้วขอรับท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงบัายขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็อุบายนขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์ก็อุบายนขึ้นแล้วในโลก ท่นอาจารย์ประพฤติรำเปล่าไร้สาระเชิญว่าเถิดท่านอาจารย์เราทั้งหลายจากไปสำนักขององค์สมเด็จตระสัมมาสัพพุทธเจ้าว่าท่าเช่นนี้เป็นวาท่าที่ท่านทั้งสองพูดตรงไปตรงมาแต่ว่าคําว่าไร้สาระหรือว่าทำเปล่านี่ท่านทั้งหลาย คนที่มีกิเลสเสะเทือนใจมากจะไม่มีการสะเทือนใจก็แต่เพียงพระอาเรียเจ้าเท่านั้นเมื่อท่านสันชัยได้ฟังอย่างนั้นจินเนกล่าวว่าท่านดาวสองเธอจงไปกันเถิดฉันนั่ไม่ปรารถนาจะไปรซเสหายจิไดนถามว่าเป็นพ่ออะไรและขอรับท่านอาจารย์ ท่านสันใจกล่าวว่าเราเที่ยวไปเป็อาจารย์ของมหาชนส่วนมากแล้วการอยู่เป็นอันเทวาสิกคือว่าเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นนั่นเราทําไม่ได้มันเช่นกับเกิดความบันไห้น้ําในต่มเราไม่สามารถจะอยู่ในฐานะเป็นลูกศิษย์ใครได้เพราะเราไปอาจารย์คน ถ้าว่าหวั่นไหวข้นน้ําในตุม่มท่านก็ทราบแล้วว่าตามปกติน้ํำในตุ่มนี่มันนิ่งไม่ไม่มันไม่มีการหวั่นไห ว, ไไหวขึ้นไม่ไหลขึ้นไม่ไหลล่องไม่มีการกระเพื่อมไม่มีคลื่นนี่ท่านสัญชยัยท่านถือ ว, ว่าตัวท่านเป็นอาจารย์มีรูกสิษย์ลูกหามากมหากว่าจะไปยอมเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็เสียศักดิ์ศรี เพียงได้กล่าวอย่างนั้นท่านสองเสหายได้กล่าวว่าท่าน อ, อาจารยา์ท่านอาจารย์อยากกระทาอย่างนั้นเลยทรับไปหาความดีกันดีกว่าเพราะขึ้นชื่อว่าอามาตรธรรมนี้หาได้ยากแใ น, น, นเมื่อ้ท่านอาจารย์ยังไม่เข้าถึงอามาะธรรมทาไมจึงจะถือตัวถือตนว่าเป็นคนสําคัญอยู่แล้วครับ ท่านสัญชัยบดีพาชกก็ บ, บอกว่าช่างเถอะพ่อคุณพ่อพาไปกันป้า พ, พากันไปเถอะฉันน่าไม่สามารถจะไปได้ท่านสองเสือหายยังกล่าวว่าท่าอาจารย์จำเดิมแต่การแห่งพระพุทธเจ้าโศมบัติขึ้นแล้วในโลกมหาชนมีระเบียบของหอมดอกไม้เป็นต้นในมือไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้น แม้กระผมทั้งสองก็จะไปที่นั้นเหมือนกันท่านอาจารย์จะทำยังไงแล้ขอรับท่านสัญชัยบรีพาชกมบกว่านี่พ่อดินสองในโลกนี้นะ่ะมีคนโง่มากหรือว่ามีคนฉลาดมากท่านเดินสองจะได้กราบเรียนว่าท่านอาจารย์ขอรับ ในโลกนี้มีคนมัง่ามากรับ่าอาจารย์คนฉลาดแต่มีน้อยท่านสัญชัยจะไน้พูดว่าถ้าอย่างนั้นพ่อดังสองถ้าอย่างนั้นแล้วก็คนฉลาดจงไปโส่สำานักของพระสมณโคดมสำหรับคนโง่าจากมาสำานักเราห่อปกันเถิด นี่เป็นอนวุวาแกหวังลาบหวังยศจริงๆคิดว่าถ้าคนฉลาดมันน้อยไปสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เชิญไปแต่ได้เมื่อคนโง่มากท่านได้รับคนโง่เป็นลูกศิต์มากกว่าลาบสการะมันจะเกิดกิดท่านนิจัยของท่านมีจิเลตอย่างนี้ติดอยู่ในโลกธรรมหรือติดอยู่ในลาบที่ยพึง ม, มีลูกศิ์มาก ติดในยศศัยความยิ่งใหญ่คือมีรู้สิทธิ์มากก็ได้สผยความเป็นใหญ่นี่กิเลสทังสมัยการนี้มันทำคนให้เลวได้ย่อมฆ่าคนโง่ <c oughs> ดันสองสหายดังสองอยิ่งในกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านจะปรากฏเองในการต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดานั้นดีขนาดไหน <c oughs> เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็ขอลาท่านอาจารย์แล้วก็หลีกไปเมื่อท่านสหายทั้งสองนั้นไปอยู่ขณะที่กำลังไปนั่นเองบริษัทของนสัญชัยบริภาชก็กแตกกันขณะ น, น, นั้นอารามของท่านสัญชัยบริภาชก็กว่างลงหมายความว่าท่านทั้งสองเป็นคนฉลาดเป็นลูกของมหาเศรษฐี เมื่อท่านไปเข้าลุกเสด็์ทุกหาบริวารของท่านห้าร้อยก็ไปด้วยเมื่อท่านไปแล้วคนที่ก็มีความเคารพนับถือบีดามารดาของท่านสองมีอยู่มากและพวกกองก็มีอยู่มากต่างคนต่างก็หันจากสำนักของท่านสันชัยปรีภายชกไปสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันว่าแทนที่จะมีคนโง่มากกลับมีคนโง่น้อย ตำแนักของท่านสันชัยบริภาโชกว่างโลเกือบจะหาลูกศิษย์ไม่ได้ท่านสันชัยนั้นเห็นอารามว่างลนแล้วก็เกิดอาจเจียนออกมาเป็นโลหิตอุ่นๆเอาแล้วเละ่ะ <c oughs> เอาแล้วเห็นไหมละ่ะนี่คนมีกิเลสมันเป็นอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาไปหมดตัวก็จะอดเขาชวนไม่ไปคิดว่าเป็นเด่น แต่พอเขาไปเข้าจริงๆเกิดอาเจียนเสียใจอาเจียนออกเป็นโลหิตอุ่นๆก็ในบรรดาบริพาชกห้าร้อยคนซึ่งไปกับสือหายดังสองนั้นบริษัยขอสันชัยอีกสองร้อยห้าสิบคนก็ไปเสียด้วยฮฮดูทมไ้มล่ะเขาไปกันห้าร้อยกับสองคนแต่ลูกศิษย์ของท่านสันชัยอีกสองร้อยห้าสิบที่อยู่ไปจำสำนัก ก็กลับไปเขาไปด้วยท่านสอจสหายไปสู่พระเวรุวันพร้อมไปด้วยบริปรีพายชกสองร้อยห้าสิบคนแล้วก็พร้อมไปได้วยลูกศิษย์ของท่านอีกห้าร้อยคนเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบนี่ท่านกล่าวต่อยไปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับแสดงพระธรรมเทศ น, นาในท้ำกลางบริษัท ทสือพิสุพิสุนนยุมบาสุกุมบาสิกานในทอดบนเนตถิ่นปิพาชกทั้งหลายเหล่านั้นแตบไกลจึงได้ตรัสเรียกพิสุทั้งหลายด้วยพระพระพุทธลรรมรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย <c oughs> สองเสหายนัย่งกำลังมาคือโกริตะกับอุปติสะ นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านมีสัพพัญญูจริงๆสัพพัญญูไปวรู้ทั้งหมดพอคนเดินไปท่านรู้จักชื่อเลยว่าคนหนึ่งชื่อโกลิตาอีกคนหนึ่งชูปฏิสระท่านกล่าวว่าทั้งสองนั่นจากเป็นคู่ภาสาวกภาษาวกที่ดีเลิศของเรานี่ท่านฟังแล้วก็คิดคิดไว้ด้วยนะครับ แระพุทธเจ้าท่านรู้เลยทีเดียวว่าทั้งสองคนนี้จะเป็นคู่สาวกที่ดีเลิศของเราที่เรียกกันว่าอักษสาวกอักษสาว ก, กแปดพุทเลิศสอนสหายนั่นเข้าไปใกล้แล้วถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมาพุทธเจ้าแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเขาดังสอนนี้กราบทูลคํานี้กับพระองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาคเจ้า ว, ว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์พอได้บรรยายชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระเจ้าข้าเพื่อผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิสุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรทมจรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิด คนทั้งหมดก็ได้เป็นผู้ทรงบาทชีวร อ, อันสำเร็จแล้วไปอยู่ริเราก็ว่าพระเทระมีอายุทะงร้อยปีครั้งนั้นองค์สมเด็จพระจินสีทรงขยายพระสธรรมเทชนาด้วยอำนาจด้วยอำนาจของจริยาแก่บรรดาบริษัทของท่านดังสองนั้นเว้นไว้แต่อากสาวกทั้งสองเสีย นี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าเทศตอนนั้นนะเจาะจงเฉพาะบริวารของท่านทั้งสองคือหมายความว่าเทศให้ถูกใจเฉพาะบริวารเท่านั้นแต่สาหรับท่านทั้งสองอยังก่อนเขามีปัญญามากนิโอสมเด็จพระพูทมีพระพ่ายเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นอศัศจรรย์อย่างนี้รู้ว่าเทศอย่างนี้คนพวกนี้จะบรรลุมาผล แต่คนอย่างนี้ถ้าเทศอย่างนี้ยังไม่บรรลุเอาคนมากก่อนองค์สมเด็จพระชินวรวงได้แสดงพระธรรมทศนาเหมออาะกับอัธยาศัยของบรรดาบริษัทธคือลูกศิษย์ของท่านดังสองเว้นอธัธยาศัยของท่านดังสองเสียปรากฏว่าบรรดาชนทั้งหมดที่เป็นบริวารของท่านดังสองและเป็นปริภายโชคที่ติดตามไป เมื่ออองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเทศจบต่างคนก็ต่างบรรลุอรหัตผลก็จิจมักเบื้องสูงของพระอาคสาวกทั้งสองก็ยังไม่ได้สําเร็จเป็นอันว่าลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์หมดหรือว่าลูกน้องเป็นพระอรหันต์หมดลูกพี่หรือว่าเจ้านายคือ พ, พระโมคคัลลานและเบสาลีบทยังไม่ได้ ยังเป็นเบอร์โสดาบันไปก่อนตอนนี้พระบาลีท่านถามมีคำถามคำตอบมีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุใดท่านทลางสองซึ่งมีปัญญาใหญ่กว่าบริวารยิงไม่ได้บรรลุอรหัตผลท่านก็แก้ว่าเพราะว่าสาวกสาวกบารมีญาณนี้มีกำลังใหญ่ หมายความว่าบารมีของอัคคสาวกเนี่ยมียานใหญ่ทำไมยานใหญ่มีกําลังมากเยอะปรั บ, บมาเรื่อาการไล่ช้างการไล่ช้างนี่จะให้รวดเร็วกันการไล่สุนัขไม่ได้สุนัขพอเราไล่แล้วกาไก่เราไล่มันก็บินหนีไปช้างเราไปไล่ดีไมด่ดีก็มองหน้าเฉยๆย่อมเคลื่อนไปยากกว่าชั้นใด แม้ท่านดังสองกับบริวารเขาเช่นเดียวกันเพราะอาศัยที่ท่านสองมีบารมีมากมีปัญญามากก็ยังจะต้องมรุตทีหลังรอะใช้ปัญญาพิจารณามากเต็งกล่าวว่าต่อมาในวันที่เจ็ดนับตั้งแต่วันบวชแล้วท่านพระโมกท่านพระมหาโมคคลาได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านที่ว่ากันละวะอ่ากันละวาละ กันลวาระในแคว้นมาคดในเวลานั้นมีทีนมิทธะคือความม่่งเขาเครอบงำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้สังเวชแล้วมันเท่าทีนวมิทธะเสียนได <c oughs> ก้กำลังฟังากาลังฟังเพื่อธาตุกรรมฐาน ที่องค์สมเด็จพระิธิตามานทรงประทานได้ยังกิดมักทั้งสามเบื้องบนให้สมเร็จมันลุสุดสาวุคบารมีญาณท่านต่างรู้เรื่องมหมครับถ้ายังไม่รู้เรื่องผมจะย้อนอีกสักนิดหนึ่ง <c oughs> ว่าในขณะที่ท่านอยู่ที่บ้านกันละวาละในแคว้นแม่โคตันเอง ในขณนะนั้นเกิดความง่วงครอบงำพระพุทธเจ้าทรงพระเดชไปที่นั้นยิงกล่าวว่าโมคลานะเธอจงละความห่วงเสียเมื่อละไม่ได้ให้ลืมตาให้กว้างลืมตาตกว้างๆถ้ายัางละไม่ได้แห้มือขยี้ตาเมื่อมีมือขยี้ตามันละไม่ได้แหวน้ำล้างหน้า น้ำล้างหน้ายังละไม่ได้เห็นเดินไปเดินมาได้ ว, ว่าบาลีส่วนนี้มีอยู่ในที่อื่นสําหรับในที่นี้ท่าไม่ได้บอกไว้เมื่อมีในที่อื่นผมก็เลยมาใส่เท่าเพราะเป็นเรื่องเดียวกันจําให้ดีในข้อดับคําแนะนํำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้เมื่อขณะนั้นท่านกล่าวาว่าพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สังเวชแล้ว สังเวชสลดใจไว้ความง่วงมาครอบงำเรานี่ทำลายความดีของเราท่านบรรเทาทีิน้นมิทะคือความง่วงได้กำลังฟังพระท่านนะกรรมฐานเข้าใจไหมครับธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟความจริงเราศึกษากันมาแล้วในมหาสติประฐานาสูตรก็มีในปฏีกูลบัต และในธาในธาตุบัพในกรรมฐานสี่สิบก็มีพิจารณาตามนั้นที่องค์สมเด็จพระพุกวันทรงให้พิจรารณาธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟในที่สุดท่านก็ยังมักเบื้องมักสามเบื้องบนนี่ก็หมายความว่าท่านได้ประสูดาวมันมาแล้วก็สามารถทรพระสกิธาคาเมียนาคาเมียรหันให้ปรากฏ บรรลุถึงที่สุดแหงสาวกะ บ, บรามีบรมรามยยานสำนับฝ่ายปรารีนบุตรยังไม่ได้สาเร็จในจิตวันนั้นใช้เวลาล่วงไปถึงครึ่งเดือนนับแต่วันบุตรเข้าไปอาศัยกรุงราชจฤกษ์นั่นเองอยู่ในธรรมที่เรียกว่าสุกระาขาตา กับองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแสดงเวทนาบริคัสูตรเวทนาบริคัสูตรถ้าถ้าไม่รู้ก็ดูเวทนานุปสนนามหาอุตติปฐานก็แล้วกันก็เหมือนกันมีใจความเหมือนกันความจริงพระพุทธเจา้าเทศกับคนอื่นี่ ท่านเทศเวท น, นาบริรสุทธิ์กระทีฆานะกปริพาชกผู้เป็นหลานของตนคำว่าหลานของตนคือหลานของภาสารีบุตรท่นานสรงญาณคือความพิจรารณาคือปัญญาตามไปตามกระแสแห่งประสูตรนั้นในที่สุดก็ได้บรรลุสาวกะกะับรมียานเหมือนกับผู้ที่บริโภคพัทคือข้าวเรื่ออาหารที่เข า, ขาคดให้แก่บุคคลอื่น มีหมายความว่าพระพุทธเจ้าเท่กับคนอื่นแต่ว่าท่านฟังแล้วใช้ปัญญาพิจารณาตามก็บรรลุอรหัตผลท่านเปรียบเทือว่าเหมือนกับคนที่บริโภคอาหารที่เขาคดให้แก่คนอื่นท่านบริโภคอิม่มจะไม่ดีนะครับเวทนาปริคสูตร ก็คือเวทนานนปัสนาในมหาปฏิบัติฐานนี่ท่านฟังกันอย่างเดียวสองอย่างเท่านั้นนะครับแต่ถ้าว่าพวกเรานี่ฟังกันมากได้อะไรบ้างจะได้ช้าได้เร็วหรือยังไม่ได้นี่มผมไม่ตำหนิท่านแต่ขอให้ท่านคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งเกินวิสัยสำหรับเราฟังดูว่าพระมหาโมคลานะฟังธาตุสี ในกรรมฐานนะครับพระสารีบุตรฟังเวทนานุปัสนาในมหาสิบาฐานนี้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้ท่านฟังอย่างเดียวก็มรรลุอรหัตผลเพราะใช้เป็นยาของตนคิดตามไปด้วยสหรับพวกเรามีความรู้มากกว่าพระมุกขลาพระสารีบุตร หากว่าท่านนันหลายไม่ประมาทในชีวิตไม่คิดว่าเราดีเส็จแล้วแล้วก็คิดไว้เสมอว่าอัตนาโจทยาตาหนังกลาวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เสมอว่ามันยังไม่ดีเพียงเท่านี้แหละท่านนันหลายความดีมันจะเข้ามาถึงท่านไม่ารีาถ้ามีคําถามอีกท่านถามว่าก็ภาษารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากไม่ใช่หรือ เมื่อเป็นเช่น น, นั้นเพราะอะไรจึงได้บรรลุอ ร, รหันต์ช้ากว่าพราะมาหาโมกขลลานะบาลีท่านก็แก้ไว้เหมือนกันแบบเพราะว่ามีบริกรรมมากบริกรรมคือมีความคิดมีความคล้ายควนมีปัญญามากคิดกว้างขวางกว่ากันแต่บอกว่าเหมือนกับว่าพวกคนที่เข็นใจประสงค์จะไปที่ไหนคนุนยากจนไอ้คนเข็นใจ ก็ออกจากบ้านผุนทร์ผไม่ได้ทันทีทันใด่วนพระราชาเวลาที่จ ะ, สะเสด็จไปไหนก็ต้องเตรียมการมากมีการเตรียมช่างเป็นพานะเป็นต้นจิงจะสมควรหมายความพระราชาก่อนจะไปก็ต้องเตรียมกองเกียรติยศกองระวังหน้าระวังหนังตามระเบณี ท่บอกว่ามีข้อ น, นี้มีประมาชใดพระโมคคลายกับภาษาใิบทสมบริวานก็เช่นเดียวกันที่ท่านแดนสองแต่มันลุาช้ากว่าเขาก็มีประมาณมนว่าท่านเป็นพระราชามีปัญญามากไม่เหมือนกับคนจนๆจนคนจนๆนอ น, นาฐ า, าเราไม่มีบริวารเนยไปไหนก็นึกอยากจะไปกับพุนพลันไป <c oughs> ถ้าเราเรื่องนี้ว่ากันไปบุพกรรมวันนี้ไม่ถึงพวกนี้คงถึงแน่เพราะตั้งแต่ว่าในเวลาบ่ายวันนั้นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมพระสาวกที่พระเวฬุวันเลิศสมทานตำแหน่งอาคาสาวกให้แก่พระเทระทั้งสองแล้วทรงแสดงพระปาฏิโมก ตอนนี้และทัท้งหลายนาทิโลกเกอนินฮิโต้ <c oughs> คนไม่ถูกดินทานเลยไม่มีในโลกมันก็เกิดขึ้นตามพระมาลีตีึงกล่าวว่าบรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายที่เป็นผุ้ติชนต่างเริ่มติเตียงกล่าวว่าองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าบาทพระผู้ติเจ้าสมเด็จทานตําแหน่งแก่ววิสุทธ์ทั้งหลาย โดยเห็นกันหน้ากันแกดั้งสองนี่เป็นลูกมหาเศรษฐีแต่ความจริงพระที่บวชมานี่เป็นลูกมหาเศรษฐีก็มากโดยเห็นกันหน้ากันเขากล่าวาว่าอันพระพุทธเจา้าสมบัติทานตําแหน่งอักาสา ว, วกคือพระสาวกพุทเลิศพระสารีบุตรเป็นอักาสา ว, วกฝ่ายขวาเป็นพุทธเลิศด้วยปัญญาพระโมคคัลลาเป็นอักสาวกฝ่ายซ้ายเป็นผู้เลิศเป็นฤทธ ท่้งกล่าวว่าไม่เป็นการสมควรที่ถูกแลวพระพุทธเจ้าควรจะประทานอักตําหนงอักขสาวกแก่ปัญญาวคีฤษีทั้งห้าผู้บมดก่อนหรือว่าไม่เหลียวแลพระปัญญาวคีทั้งหลายเหล่านั้นก็ควรจะประทานแก่บรรดาพิสุห้าสิบห้าโลคมีพระยศเทระเป็นประมุก หรือว่าไม่เหลียวแลไม่ต้องการพระวิสุทธห้าติห้ารูปเหล่านั้นก็ควรจะประทานตําแหน่งอาคาสาวกแก่พวกพัทวคีซึ่งบทก่อนหรือเห็นว่าพวกทันอภัพทวาคีไม่สมควรก็ควรจะประทานแก่พระพวกของพัทวคีเหล่านั้นหรือควรจะประทานแก่วิสุทสามรูปพีน้องคือเชนดิน มีธนูรุเวละกัดศพเป็นต้นแต่ว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงละเลยพิสุเหล่านั้นผู้บวชก่อนประมาณเพียงเท่านี้เมื่อจะตำแหน่งประธานตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีคืออัครสาวกก็ทรงเลือกหน้าปทานแก่ผู้บวชภายหลังเขาทั้งหมดคือพระโมคคัลลาและภาษาลิบุตร นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่เป็นเรื่องจริงๆนั่นแน่เห็นไหมละ่ะแกะโนดพระพุทธเจ้าเขาให้ดูท่านนหลายจําไม่ให้ดีเนี่ยครับว่านาทีโลกเกอินิโตคนที่ไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกนี่อยู่ๆพระพุทธเจ้าก็โดนทนานหลายนี่เล่น ง, งานเข้าอย่างหนักแต่ว่าเป็นพระบุตรชนเนี่ยครับ พระทั้งหลายที่กล่าวแล้วถึงนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ทาไม่แยแสก็ตําแหน่งยุยธาบรรดาศักดิ์แต่แต่ว่าทําไมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุศาสสะสันด า, าสมาสุทธเจ้ายังไม่ทรงประทานตําแหน่งอากาสาวกตามที่พระเหล่านั้นมีความเห็นกลับเวเอาียนเอาตําตแหน่งอากาสาวกก็ให้กับตำแหน่งสอง นี่อาศัยกรรมเดิมคือมโนบฏิทานเดิมที่ก็ตั้งไว้แต่เรื่องมโนบฏิทานคือความปรารถนานี้ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังในวันพรงนี้สำหรับเป็นวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วขอุตติได้ดเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจง ม, มีแด่ท่านทั้งหลายผู้ประสงค์ดีทุกท่าน